อันดับต่อไปก็จะได้กราบราตนาหลวงพ่ออินถวายผัดป่า น, นคำน้อยได้ขึ้นแสดงธรรมโปรดสถาญาติโยมจึงขอกับราตนาคุวบาอาจารย์ที่ยังไม่ด่วนรีบกลับนะครับขอนิมนต์อยู่ก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะได้ฟังธรรมญาติโยมที่อยู่ในบริเวณนี้อีกสักคู่หนึ่ง ก็จะได้อากบาราธนาอาราธนาธรรมพระเดชพระคุณของพ่ออินทวายวัดป่านักขำน้อยได้ขึ้นแสดงธรรมต่อไปมาจลูกาธิปติสหัมปติกตันสลีอันทิวลังอัญญาจธะสันติสัตตาปลาสิกกาเทเสตุธรรมังอนุกรัรมปิมังปักังเ อ, อ่อมนี ครูบาอาจารย์มูพวกเพื่อนคงจะบ่เคยเห็นหลวงพ่ออินขึนธรรมาดหลวงพ่อเองก็เ ล, เลิกบวชได้คือกันว่าได้ขึ้นธรรมาดอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือมีแต่ขึนธรรมัดอยู่ในวัดฮ <c oughs> เป็นมุวยมุวยวัดก็ระเม่เคยออกสนามข้างนี้เป็นข้ง อาจจะว่าเป็นเธื่อที่แหลกของอำเภอบันผือติมาเทที่มาบอกมาว่าให้ออกตอนใหญิโยมฟังปนันกรอันดับแหลกกระผมหรืออัตามาขอสองอย่างคือผู้ที่จะทายลูกในขณะที่หลวงพ่อกำลังพูดเนี่ยอย่าพึงทายลูกงดไปก่อนขั้นผู้จะได้ที่ทายกับทายเดียวนีทายได แต่่าคณะกำลังเทศดกำลังเบาหามทายลูกและอีกอย่างหนึง่งขั้นหัวว่าผู้ใดมีโทรศัพท์ก็ให้ปิดไว้ก่อนหรือว่ามีโทรศัพท์ที่จะต้องพูดคุยกันก็ให้ออกไปนางอยู่ทั้งนอกอพวกพระกูบาจา์ก็คือกันออกตนญาติโน้มคือกันขั้ น, น, ออ น, น, น, น, นผู้ใดมีโทรศัพท์ที่จะต้องคุยกันออกไปคุยทั้งนอก มองนี้เป็นมองฟังธรรมเพอร์นาราทนาว่าให้เบาให้เบาธรรมมาเพราะนั้นพอดายเซมีโทุระที่จะต้องเบากันมีคุยเรื่องคุยกันออกไปคุยกันอยู่ทางนอกเยี่ยมมาคุยกันอยู่ซาลานี่โทษระทรัพท์คือกันขันว่าพอดายมีโทรศัพย์ให้ปิดไว้ก่อนขันว่ามีโทุระที่จะต้องเบาออกไปนั่งอยู่ทางนอกไปคุยกันอยู่้างนอกสมัยก่อน หลวงพ่อยวัตป้าบัณฑาตหมอจเจริญวัฒนชุชาติเพิ่นมาฟังผ้าหลูกนองมาม้าบัณฑาตกระพมเองก็จําบลืมเพิ่นบอกว่าขั้นโปรใดมีธุระที่จะต้องพูดจะต้องคุยกันออกไปคุยอยู่หนุนเนาะซาร่าสั่นหมอเจริญว่าพรอมองนี่เป็นมองฟังธรรมอย่าไปคุยกัน ขั้นพอด้ายมีโทระคุยกันให้ออกไปนั่งอยู่ทั้งนอกคุยกันยกุเพราะว่ามองคุณคุยกันได้อันนี้คือกันไปนันมือนีพวกเข้าสท้าย ญ, ญาติโยมมาจากหลายมู่บานช่วงนี้เป็นช่วงเปิดโอกาสให้กระผมเป็นผู้กล่าวธรรมะเป็นผู้วาามมา่าธรรมะให้แก่พี่น้องประชาชนญาตโยมมู่กุบาจานได้ฟัง เนื้อหาสาระธรรมะที่จะพูดให้ฟังนั้นกับเป็นความคิดของกระผมจะเอาธรรมะตรงหดจุดใดจะมาอธิบายให้สัทนาญาญโยมให้ฟังเพราะนั้นตอนนี้ไปกระผมก็คงจะพอพูดอย่างมากยาวนานเพราอมีเวลาจํากัดคงจะมีเวลาหน่อยก็คงจะพูดเวลาชั่วระยะหนึ่งแล้วก็คงจะจบในการพูด การแสดงธรรมต่อนนี้ไปตั้งใจฟังนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อเซวนาจาบาลานังบันิตานันตะเซวนาปูชาจาปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมันติติวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันที่หลวงพ่อคูณสุเมโธเจ้าอาวาสวัดป่าภูดิน ของพวกเราที่ท่านทาบุญครบอายุห4สปีนับว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่หาได้ยากที่จะอายุถึงห4ปีพันษาสี่กว่าพันษาแปลว่าเป็นพระเถระในยุคสมัยนี้ก็ถ้าว่าเป็นยุคสมัยก่อนยุคสมัยที่พ่อแม่ครูบาอาจาร พระสงฆ์รุ่นแรกๆที่หลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปู่ล่าเป็นสมัมมาเนนหลวงปู่ล่าเพียง11พรรษาที่ท่านไปตั้งภูจ ก, ก็เป็นครั้งแรกเพราะนั้นพระ11พรรษายุคนั้นสมัยนั้นก็ยังหายากเพราะนั้นอย่างหลวงปู่คูนของเราท่านก็ อ, อายุถึง64ปีพรรษาก็40กว่าพรรษา คนนั้นถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็ในถิ่นอำเภอบ้านผือของเราก็มีครูบาอาจารย์อุ น, นาฝาคั่งมีหลวงปู่บุญมีเป็นประธานหลวงปู่เพียนหลวงปู่ทูบ้านเคาะแล้วก็หลวงปูงปงป่คูนแล้วก็มีหลายๆองค์อยู่ในเขตบริเวณแห่งนี้ นับว่าอำเภอบ้านผือของเราเป็นอำเภอที่โชคดีอำเภอหนึ่งก็คงสมัยตั้งแต่หลวงปู่มั่นที่ท่านเดินทุดองมาในยุคสมัยนั้นก็มาอยู่ที่บ้านค้อมันนาลายมันหนองกองก็คงจะเป็นท่านคงจะเห็นอุปนิสัยออกตนญาติโยมพี่น้องลูกหลานในเขตอำเภอบ้านถือท่านจึงได้มีเมตตามามาอยู่ในถินี้ เพราะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคารวาะก็ได้สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นมาถึงยุคสมัยนี้กระผมเลือดอตาตมาภาพคิดว่าคงจะเป็นเสื้อสายหลงปู่ท่านคงจะมองเห็นในอนาคตังสยามของท่านว่าในเขตอำเภอบ้านผือในถิ่นของเราคงจะมีพระมาอยู่ จำพรรษาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นเป็นวันที่ทาบุญบรอบๆอายุ64ปีของหลวงพ่อคุณที่เป็นที่รักเคารพของพวกเราท่านก็ได้มาอยู่ที่นี่หลายปีพร้อมกันก็ได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชน จากญาตุระทิศท่านก็เป็นผู้กว้างขวางในการแนะนำสั่งสอนพระเนนตลอดถึงญาติโยมทางหลายๆจังหวัดหลายๆแห่งปีที่แล้วก็มีทั้งพักแขกมาจากอินเดียมาจำพรรษากับท่านเพราะนั้นท่านมาอยู่ที่นี่ก็ให้ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งรู ป, ปรธรรมและนามธรรมรู ป, ปรธรรมก็คือวัดวาศาสนาพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องส่วนนามรธรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติของท่านเป็นที่น่าเคารพนับถือศิลาจารวัดของท่านเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างอันดีที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของพี่น้องประชาชนพระเนนของพวกเราเพราะนั้น หลวงพ่อคูณประวัติของท่านท่านก็อยู่กับครูบาอาจารย์มาโดยตลอดตั้งแต่หลวงปู่สิงทองหลวงปู่บุญมีแล้วก็จนถึงเป็นพระผู้ใหญ่ท่านจึงได้ปรีกตัวมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเวลาหลายปีเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ในฐานะสหธรรมิกหลวงพ่อก็ถ้าจะว่าไปอายุอันษาอายุของหลวงพ่อนี่น้อยกว่า น้อยกว่าหลวงพ่อคูณอายุหลวงพ่อเนี่เมษาในครบหกสิบสอปีแต่ว่าหลวงพ่อเนี่บวชเมื่ออายุย้อนกว่า20ปีน่อยหนึ่งหลวงปู่ล่าท่านให้บวชก่อนเกิดสเดือนนะหลวงพ่อเกิดเมษาแต่หลวงพ่อบวชเดือนกุมภาแต่แล้วหลวงพ่อบวชก่อนเกิดสมเดือน เพระนั้นหลวงพ่อจึงมีอายุพรรษามากกว่าหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนั่นคงจะเที่ยวสนุกสนานอยู่หลายปีท่านจึงได้เขามาบวชเพราะนั้นท่านจึงมีอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงพ่อแต่ว่าอายุของท่านมากกว่าแต่ถึงยังไงก็ตามศีลาชารวัดหรือคุณธรรมของท่านพวกเราก็น่าเคารพนับถือหลวงพ่อเองก็ถือว่าเป็นสหธรรมิกที่น่านับถือ ออรักเมตตาไปมาหาสู่กันโดยตลอดเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้มาร่วมในการแสดงมุทิตาสักการะในงานทาบุญครอบรอบ64ปีของหลวงพ่อคูณเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านได้มาร่วมกันทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ ก็ให้ตั้งอกตั้งใจสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเบื้องต้นหลวงพ่อได้กล่าวเป็นบาลีขึ้นว่าอเซวนาจะบาลานังบัณริตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังความแปลก็ว่าอเซวนาจะบาลานังอย่าไปคบคนผ่านคนผ่านผ่านภายนอกผ่านภายในการผ่านภายนอก เราก็รู้ว่าเป็นนักเลงหัวไม้นักเลงโชลานักเลงการพานันนักเลงป้นสะดมอันนั้นแปลว่าภาละชนส่วนพักนักเลงภายในก็คืออะไรก็คือใจของพวกเราถ้าจิตใจของเราคิดไปในทางที่ไม่ดีอันนั้นแปลว่าหัวใจของเราเป็นพลานเป็นภาละชนแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจนึกไปในทางกุศลสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอันนั้นแปลว่าเป็นบัณฑิต เป็นปาดพราะนั้นให้พวกเราไม่ต้องมองที่อื่นให้มองใจของตนเองทุกวีทุกวันทุกเวลานั่นละ่ะจึงจะเห็นบันติดหรือนักปาาดถ้าว่าพวกเราส่งเสริมการทำความชั่วของตนเองถ้าว่าเราอยากกินเหล้าเราก็ไปกินเหล้าซะเราอยากจะเล่นการพานันเราก็ไปเล่นการพานันหรือว่าเราอยากจะไปคบค้าสมาคมกับขายยาบ่งยามาก คัญชายาวฝินอย่างนี้หรือออกนอกลู่นอกทางาพวกเราก็เป็นคนผ่านาผ่านละชนใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราส่งออกไปทางนอกไปในทางอภิสุจนอันนั้นก็เป็นใจที่เป็นเป็นผ่านส่วนบัณฑิตนั้นคือผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมบัณฑิตนั้นถ้าเราจะพูดหรือว่าเราจะ กล่าวถึงก็คือศินห้าคือบัณฑิตศินแปคือบัณฑิตศินสัมมณีเินสร้ี่สิบเินสองรี่สิบเจ็ดคือบัณฑิตพระธรรม 84% ดหมพันระธรรมขันคือบัณฑิตนักปราชญ์เพราะฉะนั้นให้พวกเราเข้าไปหาเข้าไปคบเข้าไปศึกษาในบัณฑิตนักปราชญ์นั้นให้พวกเราศึกษาในศินห้าสินห้าประการของเราคืออะไรให้เราศึกษา ถ้าพวกเรามีศีลห้านะแปลว่าพวกเรานั่งอยู่ใกล้บัณฑิตเพราะฉะนั้นทางว่าพวกเราห่างศีลห้าแปลว่าเราห่างบัณฑิตเพราะฉนั้นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรรมขันนั้นนั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์ให้พวกเราเข้าไปศึกษาเข้าไปเอามานํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของพวกเราพวกเราจะประสบแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข นี่แหะอันนี้ว่าบันฑิตปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสถานที่หรือว่าเป็นสถานที่เทิดทูนบูชาอย่างยิ่งอันนั้นคือยอดแห่งการบูชาจากนั้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราก็เป็นบุคคลที่ควรบูชา ครูบาอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างหลวงพ่อคุณอย่างเนี่ยที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดป่าพูดินของเราศรัทธาญาติโยมพระเนนอยู่ในละแวกนี้หรืออยู่ใกล้หรือว่าอยู่กับท่านพวกเราก็เคารพ บ, บูชาเพราะว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษจากนั้นท่านก็เป็นผู้พานํานําไปประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วย อันนั้นแปลว่าบุคคลที่ควรบูชาเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้ยกเป็นพระบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าอเซวานาจัมบาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวานาปูชาจะปูชนียานังเ อ, เอตมังครมุตตมังถ้าพวกเราประพฤติธปฏิบัติได้อย่างที่ได้กล่าวมาก็เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลอันอุดมเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่ได้มาพบมาเจอในวันนี้ได้มาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราหลวงพ่อไปนัสถานที่ใดถินด่นใดก็ตามหลวงพ่อเองจะกล่าวแนะนำสั่งสอนตักเตือนพวกเราทุกๆท่านไม่ใช่เตือนแต่พวกผู้ใดผู้หนึ่งเตือนทั้งหลวงพ่อด้วยบอกว่าเราเกิดมาเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่ แล้วเราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่เพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้เพราะว่าชีวิตของพวกเราจะยืนนานไปจักเท่าไหร่ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นคำว่าเกิดอีกคำนี้เออเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราท่านอยู่ในเวียงในวัง คนยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็คงจะสงสัยเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายว่าคนตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดอีกหรือเปล่าตายแล้วทำไมไม่มาบอกพวกเราพอตายแล้วก็หายเงียบไปเลยแต่ว่าผีมีไหมอันนี้ก็สงสัยเพราะบางคนก็เห็นจริงๆแต่คนที่เจอก็เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญแต่คนที่ยังไม่เห็นผีเอยยังไม่เห็นอมนุษย์พวกเราก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะนั้น ตายแล้วไม่ศูญตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดพวกเราก็สงสัยกันอยู่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะพิสูจน์ได้ด้วยอย่างไรคนยุคนั้นสมัยนั้นก็คงจะมีความสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราคือศีรถะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองราชจนเมื่ออายุ29ปีท่านจะหลบปลีกหลีกเล้นหลบหนีออกจากเวียงจากวัง ออกไปศึกษาอยู่ในป่าถึงหกปีไปทดสอบไปทดลองอยู่ในป่าบําเพ็ญอยู่ในป่าทดสอบทดลองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจุดนี้แหละที่ท่านตั้งความสงสัยอยู่ในพระไทยของพระองค์เพราะนั้นเมื่อวันเดือนหกเพนพระองค์ท่านได้นั่งขัดสมาธิในตาราแต่นอกนั้นเราจะไม่พูดถึง หลวงพ่อจะไม่พูดถึงว่าท่านทดสอบอะไรบ้างท่านทดลองอะไรบ้างแต่ก็ในพุทธประวัติของท่านก็ถึงอดพะกยญาหารถึง49วันอันนั้นแปลว่าเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วอย่างอื่นอีกพระ อ, องค์ก็ได้ทดลองลหลายหลาอย่างจนมาถึงวันเดือนหกเพนวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนโสธิยานำยาคาผ่านมา ก็ได้มอบยญ้าคาให้แกสิทธาสิทธาท่านก็เอายาคามาเกลี่ยลงที่โคนต้นโพถ้าว่าพวกเราไปเห็นต้นโพที่ประเทศอินเดียคงจะเห็นรากมันตะปุมตะปับมันรากมันไม่เสมอเพราะนั้นพระพุทธองค์ไดเอายาคาแดกำมือเกลี่ยลงที่โคนต้นโพจากนั้นพระพุทธองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนยญ้าคาหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้นั้นคือกรรมฐานอะไรเราพวกเราไม่ต้องเถียงกันก็คือกรรมฐานกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคืออาณาปานสติที่พระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ในวันนั้นเมื่อท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นหายใจออกยาวพระ อ, องค์รู้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นจิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะขึ้นมาระลึกชาติผลหลังได้ปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยแหละ เ, ออเมื่อระลึกชาติผลหลังได้พระองค์รู้ว่าตายแล้วไม่สูญ ชาติพ้นหลังมีจากนั้นท่านก็ระลึกชาติไปเรื่อยชาติหนึ่งสองชาติสามชาติสีชาติเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเป็นเรื่องยาวเหยียดมาอย่างพวกเรามาจากจังหวัดอุดรมาที่นี่มาผ่านที่ไหนบ้างมาถึงจุดนี้แล้วเรามาจากบ้านลงมาจากบ้านเราผ่านที่ไหนบ้างมาอยู่จุดนี้อย่างนี้แหละคือวิญญาณของพวกเรานี่ก็เหมือนกันเรามา ออกจากชาตินั้นมาเกิดชาตินี้ออกจากชาตินี้ไป เ, เป็นหลายๆชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่วันนี้เมื่อวานเป็นยังไงวันก่อนเป็นยังไงปีก่อนเป็นย şey ังไงแล้วปีคนก่อนแล้วเป็นยังไงชาติก่อนเป็นยังไงนั่นแหละคืออดีตชาติวันพรุ่งนี้มีไหมเมื่อินมีไหมมีเพราะนั้นพระพุทธองค์ก็ว่านี่อนาคตเพราะนั้นพระพุทธองค์พิจารณาดูในปฐมยาม คือยามต้นคือตอนหัวคำ่ำเพระองค์ได้ยานัศนะคือปุกเพในวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ได้จูตูปะปาตญาณการจุดติของสังตว์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็กําหนดรู้ได้ว่าใครจากที่นี่มาเกิดจากไหนจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนคนคนนี้วิญญาณดวงนี้ออกจากนี้แล้วจะไปไหนอันนี้พระองค์ก็รู้หมด โยด้วยญาณทัศนะของพระ อ, องค์พอโจนสว่างใกล้สว่างพระ อ, องค์ก็รู้ได้อีกว่าอาสาวกขยะญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสตัดกิเลสออกแล้วชำระใจของพระ อ, องค์หมดแล้วพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจะยาสังฆาราสั่งฆาราปัจจยาวิญญาณังคือใจตรงนี้ ที่มันลุ่มหลงบัวเมาเพราะอะไรเพราะตัววิชาใจตรงนี้เกิดออกมาจากอาวิชาอาวิชานเป็นพื้นฐานของใจดวงนี้เพราะเห็นนั้นพรธองค์จึงพิจารณาปฏิจจสมุปาฏิวอวิชาปัจจญาสร้างฆาราไหลลงไปจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมณสุปายาตการเศร้าโศกร้องไห้พี่ไรรำพันมาจากตัววิชาคือตัวไม่รู้นะนะั่นน่ะเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นพุทธองค์ ได้พิจารณาชำระใจของพระองค์จนหมดจดจากกิเลสในวันเดือน6เเพนในวันนั้นเพราะฉะนั้นในคืนวันเดือน6กเพนพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุธธรรมสามอย่างคือปุเพเนวาสานุจิติยานะระลึกชาติผลหลังได้จุตูปปาตยานการจุติของสัตว์อาสาวัคคยายานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วพระพุทธองค์ชำระใจของพระองค์ ให้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วกิเลสคืออะไรถ้าจะเปรียบเทียบกิเลสก็คือสิ่งที่ทำให้หมุนเวียนทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารถ้าจะว่าไปถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวมีเชื้ออยู่ในนั้นมีตามียางในเมล็ดข้าวแต่พระพุทธองค์ใช้ตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเอามานึ่งซะเอามาต้มซะจนหมดเชื้อเชื้อมันหมด จะเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะเหตุไรเพราะเม็ดข้าวเม็ดนั้นมันหมดเชื้อแล้วเพราะฉนั้นพระพุทธองค์ใช้ตปัธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเผาใจของพระ อ, องค์ชำระใจพระ อ, องค์จนหมดเชือ้อจากนั้นท่านจึงได้ตัดสู้ธรรมถึงฝั่งพรนิพานนี่ว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังศูนย์อย่าง นิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดนั้นศูนย์ไปแล้วยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์เยกว่านิพพานังประมังสุขขังไม่มีสิ่งไหนที่จะไปรบ ก, กวนพระไทยของพระ อ, องค์ไม่มีสิ่งไหนที่จะไปกวนกิเลสตัวไหนไม่สามารถที่จะไปกวนจิตใจของพระ อ, องค์ได้พระองค์จิตใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัท ญาติยโยมครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนทุกองที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของพวกเราหลวงตาของพวกเราที่ท่านประพฤติปฏิบัติพวกเราไปถามท่านได้บอกว่าตายแล้วสูญแล้วตายแล้วเกิดท่านยืนยันร้อยเปอร์เซ็นตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ทุ่มเทสร้างสังสมคุณงามความดีไว้ถ้าว่าพวกเราเชื่อว่าตายแล้วสูญ ความตั้ง อ, อกตั้งใจที่จะสั่งสมคุณงามความดีนั้นจะร่อยหลอแต่ถ้าว่าพวกเราตายแล้วเกิดอีกแน่นอนพวกเราจะเป็นผู้มุ่งมั่นสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเเพราะนั้นอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าเหมือนกับพวกเราเดินทางพอเดินไปคนหนึ่งก็หายไปคนหนึ่งก็หายไปวกที่สุดตัวเองก็หายไปอีกเพราะนั้นก็ผมเองหรืออาตมาภาพเองเคยพูดเสมอว่าพวกเราเกิดมา ยมมาโทษเขาเขียนวีซ่าไว้เขาเขียนวีซ่าไว้คอยเราแล้วเขาเตรียมวีซ่าไว้ให้เราแล้วอีกสักวันหนึ่งเขาจะส่งวีซ่ามาให้เราพวกเราก็จะได้เดินทางต่างประเทศแต่ว่าพวกเรามาทํามาค้าขายไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้มีแต่เที่ยวมีแต่เล่นไม่ได้เตรียมตัวว่าตัวเองจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ผลที่สุดเมื่อ วีซ่ามาถึงพวกเราจะเดินทางต่างประเทศขึ้นเมนพอขึ้นเบนเสร็จแล้วก็กดจัดการเผาแล้ววิญญาณของเราก็ไปอะไรสิไปตามลำพังแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนทนี่เมื่อวิญญาณดวงนั้นไม่มีบุญไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้วิญญาณดวงนั้นทุกแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อเราได้มาเกิดพบพระพุทธศาสนา อย่างได้มาทําบุญทําทานในวันนี้ก็ให้พยายามสั่งสมบุญกุศลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาแล้วก็บําเพ็ญกุศลก่อนหลับก่อนนอนอยู่ที่บ้านของเราก็ไหว้พระก่อนนอนจากนั้นก็นั่งภาวนาเมื่อมีโอกาสนี่แหละให้สั่งสมเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆอย่าประมาทอันนี้แปลว่าการสังสมบุญเมื่อเรามีบุญในจิตในใจแล้วเราจะไปเกิดในภพภูมิใด เราก็จะมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขแต่ถาาว่าพวกเราไม่มีบุญนะไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วพอออกจากชาตินี้ไปนั่นแหละเทนี้ตกต่ําไปเรื่อยเพราะเราไม่ได้สั่งสมบุญจากนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ไรจชานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกตามบุญกรรมที่พวกเราไม่เชื่อไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดแล้วก็ไม่เชื่อว่าบาปบุญมี เราก็ทำแต่สิ่งที่มันไม่ดีเข้าสู่จิตใจสิ่งไหนที่เป็นหายนะสิ่งที่ช่วยชาลามกเราก็จะทำสิ่งนั้นเพราะเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดแต่เมื่อตายแล้วเกิดล่ะทเออ เ, เมื่อตายแล้วเกิดพวกเราก็จะต้องได้รับผลกรรมที่พวกเราทำเอาไว้เพราะนั้นให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อหลวงปู่หลวงตาของพวกเราหนะ่าท่านเป็นผู้เจตนาดีหวังดีสั่งสอนพวกลูกพวกหลาน ให้พวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ก็ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติมาหรือว่าปฏิบัติอย่างที่อาตมาได้กล่าวเบื้องต้นว่าท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจกระทบปลายจมูก ให้ดูหายใจเข้าหายใจออกจิตของเราจะเข้าง ส, งสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละจ่านี้ไม่ต้องถามใครตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตสงบเราจะเห็นร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งเป็นอันหนึ่งแต่จิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองอยู่ในเนี้ยอยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยรูปประธรรมนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายส่วนนามธรรมนั้นคือจิตใจ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าประมาทเพราะชีวิตของพวกเราไม่รู้จะยืนยาวไปสักเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะดเดินทางต่างประเทศกลับประเทศแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นวันนี้อาตมาได้พูดได้แสดงธรรมเบื้องต้นได้กล่าวถึงความเป็นมาของหลวงพ่อ ที่วันเกิดของท่านพวกเราได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลจากนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับการบําเพ็ญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วก็พูดถึงเรื่องการเป็นอยู่ไม่ควรประมาทควรสั่งสมบุญกุศลตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอย่างที่พระพุทธเจ้าอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พิสูจน์มาก่อนหน้านี้แล้ว เพราะนั้นพวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ถ้าว่าพวกเราถ้าตายแล้วศูนนะก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไห น, นเราเป็นคนดีนี่เมื่อตายแล้วเกิดเราก็ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วนะนะนี่แหละมันเป็นผลดีทั้งสองข้างเพราะนั้นพวกเราที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาะแล้วก็ให สังสมบุญกุศลอย่างที่ได้กล่าวมาการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติเพียงเท่านี้เอาละพอในตนนี้นะอุทิศส่วนกุศลด้วยวันนี้พวกเราได้มาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลพวกเรามาอยู่หลวงพ่อคูณมาอยู่วัดป่าภูดินท่านไม่เคยทาบุญใหญ่ถึงขนาดนี้ หลวงพ่อกับเพิ่งมาในวันนี้ที่ท่านทำบุญใหญ่พวกนั้นพวกเราทุกๆท่านเวลาพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายบงสาคณาญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงภูมิเจ้าที่รักษาวัดว า, าศาสนาของพวกเราด้วยพอวัดป่าภูดินเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่นะเป็นวัดของครูบาอาจารย์รุ่นปู่รุ่นไหนก็ไม่รู้ล่ะ เพราะนั้นพวกเราให้น้อมจิตอุจส่วนกุศลถึงภูมิเจ้าที่ด้วยยะถาวา